โ อ, โอ้พนักยีใจ่นอเข้ามาหาใจความดีก็เหมือนกันความชั่วก็เหมือนกันถ้าใจไม่รู้ตัวจะให้ผีตัวไหนไมารู้ถ้าไก่ไม่ปฏิบัติใจใจให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติใจนั่นนันนน่ถ้าใจไม่เบียดเบียนใจใจให้ผีตัวไหนมาเบียดเบียนนั่นนั่นนถ้าไม่ถ้าใจไม่เมตตาใจใจให้ผีตัวไหนมาเมตตานั่นนั่นนั่ทั้งหลายย่นลงไปหนึ่งแล้วแปดหมื 8, ่นีพระธรรมขันย่นลงมาหาใจเป็นสังฆโอเป็นสังฆะใด ส่วนที่ไมย่นก็ขยายออกไปจากไกลยาวเหยียบทั่วทั้ ง, งไปโลกระท่าย่นเข้ามาก็ย่นมาหาใจทั่วไตโลกระต่ามดึงมาก็ย่นมาเข้ามาหาใจชายาวเหยียดก็ยายเหยียดออกไปจากไกลถ้าลดก็ลดออกจากไปจากไกถ้ามไม่ลดก็คาอยู่ที่ไกลสินห้าสินแปดสินสองรอยยี่สิบเกตก็ย่นลงมาเป็นศิน 5, ห้าเกลียวหรือสินแปดเล 21, กลียวหรือศินสองรอยยี่สิบเจ็ดกลียวมาเกี่ยวอยู่ที่ครับใจ อธิศิณสิกขาสิขาคือศีนยิ่งอธิจิตะสิกขาสิขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาชิขาสิกขาคือ ป, ปัญญายิ่งก็ย่นลงมาหาใจเป็นเอกานิบาตเมื่อจิตยิ่งสมาธิก็ยิ่งปัญญาก็ยิ่งเมื่อปัญญายิ่งสมาธิก็ยิ่งศีนก็ยิ่งเหมือนกันเมื่อศีนยิ่งสมาธิก็ยิ่งปัญญาก็ยิ่งเมื่อสมาธิยิ่งศีนก็ยิ่งปัญญาก็ยิ่งก็กลมเกลื่นกันเหมือนหนังกับเนื้อกับเอ็นกับกระดูกไม่รู่ด้วยกัน พูดว่าฝากหลายข้อแปดหมื่นีพระธรรมขันต์ตอพระองค์นั้นยมคนนั้นประพฤติอย่างนั้นอยู่ที่นั่นประพฤติอย่างนี้อยู่ที่นี่แล้วเอามารวมไว้ก็ครบใจไปดกไอ้ที่แค่ก็มีความหมายอันเดียวกันคือให้บรรเทาโลคโกรธหลงนั่นเองให้เหือดแห้งหายไปนั่นเองจะเทศขั้นเทศยาวหรืออะไรก็ตามก็มีความหมายเท่านั้นไม่มีความหมายทางอื่นเลย สิ่งในสิ่งไหนที่พ่อพูนให้ราคะจัดขึ้นสิ่งไหนที่พ่อพูนให้โทสะจัดขึ้นสิ่งไหนที่พ่อพูนให้โมหะจดจัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาจะบรรยายละเอียดละออนจนน้ำไหลไฟดับ ก, ก็ตามถ้าไม่บรรเทาราคะไม่บรรเทาโทสะไม่บรรเทาโมหะแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์คุ้มค่านั่งเอว่างเอาละไปทานอาหารซัก จะให้เทศเประยัดหรือจะให้เทศปฏิบัติฮะใครใครภาวนาอะไรบ้ากรรมฐานอะไรตั้งของใครของมันกรรมฐานแปลว่ากรมกกรมะแปลว่ากิริยาที่ทําทาระแปลว่าที่ตั้งของการกระทํากรรมฐานแต่และอย่างละอย่างมันก็ส่งต่อวิปัสสนาได้หมดเมื่อส่งต่อวิปัสสนามันก็ส่งต่อนิพพาเวลาฆะวิมุตติสุทีนิพพานได้เหมือนกัน กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างก็มีสติควบมดมีสติเป็นนายหน้ามีสมัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นนายหน้าเมื่อมีสติอยู่ที่ใดสมัมปชัญญะก็มีอยู่ที่นั้นพระบรมศาสดาทรงสนับสนุนลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาดึงกรรมฐานอื่นๆมาอยู่ได้ถ้าสติจํากําหนดลมรู้จักแล้วลมเข้าลมออกสั้นยาวแล้ว มันก็มีเหลือที่ัยมันก็อ่านออกหมดความแก่ก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกความเก็บก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกความตายก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกตายจากข้าวสายบ่ายเที่ยงหรือตายสิ้นลมปรานจริงๆก็เหมือนกันคุณพุทธธรรมสง์ก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกดินน้ําไฟลมก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสังขารที่เกิดขึ้นแปรดับก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นไม่แปรไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออก นิพพานก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกสังขารก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจะรู้หรืไม่รู้ก็เป็นเรื่องของผู้รู้เป็นเรื่องของผู้ไม่รู้แต่ทรรมถ้งหายจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนลมหายใจเข้าข้างหนึ่งส่งต่อพระนิพพานได้เหมือนกันลมหายใจออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเห็นทั้งไตรลักษณ์ด้วยเห็นทง้งศีลสมาธิปัญญาด้วยไม่ไม่แตาไม่ต้องการเห็นถ้าต้องการเห็นก็ต้องเห็นเพราะมันมีอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มี สังขานก็ม e ีอยู่ทุกลมให้กายเข้าออกธรรมที่เก right ิดดับก็มีอยู่ทุกลมให้กายเข้าออกธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมให้กายเข้าออกไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลู่แล้วไม่ลู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อจริงอยู่ไม่มีกลางวันกงคืนสติอยู่ในที่ใดทัพยชัญนเก็อยู่ในที่นั้นเหตุฉะนั้นกรรมฐานแต่ละอย่างลยอย่างจึงมีสติเป็นนายหน้า ต feeling, ั Terror, àn, Force, Billie, ้งสติกำหนดลมให้ใจเขาออกพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีรานุสติจารานุสติเทวานุสติอุปสมานุสติกายคตานุสติมานานุสติกายานุสติเวทนานุสติยิสตานุสติธรรมานุสติสติกำหนดพิจารณากายสติกำหนดพิจารณาเวทนาสติกำหนดพิจารณาใจสติกำหนดพิจารณาธรรมก็มีสติออกหน้า การหัดสติจะเนื้อลมไปไม่แ ม, ม่ผู้ที่ชอบสะดุ้งผวาเพราะไม่มีสติอยู่กับตัวอะไรตูมาขึ้นก็อย่างนี้เพราะไม่มีสติอยู่กับตัวจับของปุย่างฝางก็เหมือนกันหลุดชนนั้นชนนี้ก็เหมือนกันเพราะไม่มีสติอยู่กับตัวสติออกไปข้างนอกพระหันสติเหนือโลกพระหันว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะให้ใครกดท่านด้วยอาบัตเรียกสติวินัย มีสติอยู่ทุกอิริยาบทของท่านไม่ได้บังคับเพราะท่านชํนนานาญแล้วทํำ ม, มีอุปการะมากสองอย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนะทําอะไรมีอุปการะมากก็คือสติส ก, กับสัมปชัญญะนั่นเองนะั่งสติกับสัมปชัญญะมันก็เป็นไตรสิกขาอยู่ด้วยกันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันมันก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าของผู mi, しし้ที่มีชวณญจิตและปัญญาผู้แตกฉานในสติในปัญญาเองกรรมฐานในพระพุทธศาสนาก็มีสองกรรมฐานเพียงรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกรูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นอารมณ์เรียกว่าอรูปกรรมฐานรูปกรรมฐานก็รณีอรูปกรรมฐานกรณีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปลี่ยนแล้วแต่คลายรูปกรรมฐานกับรูปโลกก็มีความหมายกันอันเดียวกันกับรูปธรรมก็มีความหมายกันเดียวกัน กับรูปขันก็มีความห ม, มายอันเดียวกั น, ปป ก, นญญญญกับรูปธาตุก็ปป uka, มีความหมายอันเดียวกันอรูปปโลกคือเวทนาธนาสังขานวิญญาณกับอรูปธรรมกับอรูปขันกับอรูปธาตุกับอรูปอรูปินทซียก็มีความหมายอันเดียวกันอดีตคืออะไรคือลมหายใจเข้าออกที่ร่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือลมหายใจเข้าออกที่ยังมามาถึงปัจจุบันคืออะไรคือลมหายใจเข้าหายใจออกที่กําลังเป็นอยู่ยพูดในส่วนนี้ พู้ได้ส่วนลึกไปลงไปก่อนนี่อดี ต, ดตคืออะไรอันนี้จังที่ร่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรอันนี้จังที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออันนี้จังที่กําลังเป็นอยู่ อ, вот. อดีตคืออะไรคือทุกที่ร่วงไปแล้วอ น, นาคตคือทุกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันที่ทุกทกาลังเป็นอยู่ให้ยใจเข้าออกอยู่ก็คือทุกเราดีๆนี่เองอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ขุอยู่คนหน้มุมโลกอยู่ด้วยกันสัมพยุพกันอยู่ไม่มีอันในก่อนอันในกัลหลัง ลมข้าข้างหนึ่งก็มีทั้งอณิจังทุกขังอนาตากงเกินกันด้วยก็มีทั้งไตรลักษ์ด้วยก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยก็มีทั้งสติสัมปชัญญะอีกด้วยนั่นก็ครบพระไตรปิฎกเองด้วยนั่นครบก็ครบพระตไตรปิฎกเองด้วยนั่นครบแปดหมื่นทีพระธรรมขันธ์ด้วยมีทั้งรูปขันธ์นามขันธ์อีกมีทั้งใจชี้ขาอีกอธิจิตอาชี้ขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาดอธิ ศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอันจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอันทีปัญญาสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งก็มีในปัจจุบันทั้งนั้นหาได้ใช่อดีตอนาคตไม่เห็นธรรมต้องเห็นในปัจจุบันผู้ปัจจุบันผู้ปัจจุบันเองไปเห็นอดีตผู้ปัจจุบันเองไปเห็นอนาคตหรือไปสมมติอนาคตขึ้นศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงในปัจจุบันเลยสติก็รวมในในปัจจุบันสติที่เรียกวาไปแล้วสติที่ยังไม่มาถึงสติกำนดที่ที่กำลังเป็นอยู่นะ อันเดียวกันพูดมากก็มากเฉยพูดมากก็มากออกไปจากใจพูดน้อยก็หานลงมาที่ใจถ้าหลงใจตอนไหนก็ลงทำตอนนั้นถ้าลงทำตอนไหนก็หล่นจากหลงใจตอนนั้นก็หลงสติตอนนั้นใครเป็นเจ้าของสติสติก็เป็นแต่สักว่าสติสัพพัญญะก็เป็นแต่สักว่าสัพพัญญะสติสัพพัญญะถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสติสัพชัญญะก็ไม่ว่าง ก็มีอุปทานอยู่ในที่นั่นเองเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันธรามชาติสูงอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ร่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ผู้รู้ในสามกาลนี่เป็นอะไรก็เป็นอนิจจังทุกขั้งอนัตาตาตามเดิมนั่นเองพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายเพราะที่หมายอยู่ก็คือสังขารคือจิตตสังขารหมายสมมติกัน พระ涅槃ไม่ใช่สมมุติรถของพระิพานก็ไม่ใช่สมมุติเพราะพระ涅槃เป็นทำล้วนๆไม่ใช่กองนามรูปพ้นจากกองนามรูปไปแล้วรูปจิตเจตสิกทิ่ผ่านจิตถ้าทำถูกก็เป็นทางเข้าสู่พระิพานถ้าทำผิดก็เป็นทางไปทางบาปนะถ้าทำถูกก็เป็นทางไปทางมรรคผลมรรคผลไปทางถูกถ้าทำผิดก็เป็นมรรคและผลไปทางผิด ผลก็ผลของความผิดมักก็คือเหตุที่สร้างผิดผลก็ผลของเหตุที่ทําผิดนั่นของอันเดียวอันนี้จังก็มีอันเดียวทุกขังก็มี iel, อันเดียวอนัตตก็มีอันเดียวถ้าขยายอันนี้จังก็จะขยายขยายทุกขังออกก็ขยายอนัตตาออกอีกถ้าย่นอันนี้จังลงมาก็าย่นทุกขังขอนอันตาเข้ามาอีกถ้าย่นชินลงมาก็ย่นสมาธิปัญญาลงมาอยู่เหมือนกันนั่นกลมกลืนกันอยู่แยกกันไม่ออกน นังเน่าเอ็นกระดูกก็แยกกันไม่ออกหน้ากับตากับจมูกก็แยกกันไม่ออกดินน้ำไฟลมก็แยกกันไม่ออกถ้าดินถ้าไม่มีน้ำปันก็มเป็นก้อนเป็นท่อนนะเหล็กอย่างนี้จัดเข้าในธาตุดินถ้าเเผาก็มีน้ำหนัเอาเหล็กมาเสียกันก็มีธาตุไฟอยู่เหตุนั้นดินน้ำไฟลมจึงแยกกันไม่ออกช่วยยุติกันอยู่ในปัจจุบันผมคนแล้ฟันนังเน่ากระดูกก็เหมือนกันแยกกันไม่ออก อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ในปัจจุบันให้เห็นชัดอยู่แล้วสิ่งไหนที่รับไปมีในโลกนี่นักเทีโ ona, ่โอเกแล้วหัวดำไม่มีความลับเกิดก็เกิดอย่างผึงผายแก่ก็แก่อย่างผึงผายเก็บก็เก็บอย่างผึงผายตายก็ตายอย่างผึงผายเป่อยหน้าก็ป่วยหน้าอย่างผึงผายไม่มีนี่รับเหตุกับผลก็ไม่มีี่รับเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจ ถ้าภาวนาแล้วสิ่งไหนมันมารวมอยู่ที่ภาวนาหมดมารวมอยู่ในปัจจุบันหมดแล้วไม่ใช่ว่าจะรวมอยู่ในอดีตอนาคตมีในปัจจุบันทั้งนั้นสิ่งไหนที่ไม่มีในปัจจุบันไม่มีเลยในโลกอันนี้เหตุฉะนั้นจึงเน้นลงในปัจจุบันนันจโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นจะไม่สงสัยด้วยศีลก็ตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันนั่น จะเป็นปัญญาชั้นไหนก็แล้วแต่กรณีของแต่ละท่านแต่ละคนศีลสมาธิปัญญาของพระสวสดาบาลมีในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของสัคขาคามีก็มีในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของพรานาคามีก็มีในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของพระรหันเป็นศีลสมาธิปัญญาที่พ้นจากกิเอ็อาสวะแล้วเรียกว่ามหาศีลเรียกว่าศีลและสมาธิและปัญญาที่ทรงอยู่นอกเหตุนอกผลเพราะมัีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของะ เพราะรู้เท่าทันความหลงของตนแล้วเป็นมหาศีลเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาอยู่ในปัจจุบันเป็นมหาญาณะอยู่ในปัจจุบันเป็นมหายมุติอยู่ในปัจจุบันเป็นมหาวิสุทธินิพพานอยู่ในปัจจุบันนัะโลกุตละศีลโลกุตละสมาธิโลกุตระเบื้องต้นคือของพระสวสดาบาลชัน้นที่สองสักขาคามีชั้นที่สามพระอาลารามีชั้นที่สี่คือพระอรหรันต์ สาวกสาวิกาชั้นที่ห้าคือพระปเจกชั้นที่หกคือพระสมานมะพุทธเจ้าเป็นศีลสมานที่ปัญญาชั้นเอกนพระสมานพะพุทธเจ้าชั้นที่หนึ่งพระปเจกชั้นที่สองอรหันตอาชีนาศกชั้นที่สามอนาคามีชั้นที่สี่สัทาคามีชั้นที่ห้าพระโสดาบันชั้นที่หกชั้นจัตวาในโลกุตละแต่ว่าเป็นทําเนื่องต้นของพระพุทธศาสนาจะนั่งหงดวันมดคืนก็ตาม แต่ถ้าเสดายล่วงละเมิดสินห้ามันก็ไม่ใช่พระโสดาบันเสดายอยากเล่นอบายมุกก็ไม่ใช่พระโสดาบันเสดายอยากจะขอเวนีนท่านโพธใดผู้หนึ่งก็ไม่ใช่พระโสดาบันเสดายอยากจะถือเลือกดียามดีอยู่ยงคงกพัน์ก็ไม่ใช่พระโสดาบันเพราะจิตยังไม่ข้ามโลกียังยังเป็นโลกีอยู่จิตพระโสดาบันข้ามโลกีแล้วถึงโลกุตละแล้วให้ทานก็เพื่อพระเนรพลรักษาศีลก็เพื่อพระนราล ภาวนาก็เพื่อพระนิพพาไม่ได้เพื่ออันอื่นน่ะเจตนาของพระโสดาบันไม่เหมือนเจตนาของพุทธชนคนหนาเทศนะว่า ก, กา่าวก็หวังเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารไม่หวังเพื่อย่วราบยศอันใดหวังสัพพท า, านางังธรรมทานางังชินาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทําเป็นทานฟังก็เหมือนกันจิตดิ่งลงสู่พระนิพพานสิ่งเดียวเลยไม่ได้ภาวนาพุทโธเพื่อหลอกเกีินขนม พุโทโธไม่พามาเกิดแก่เก็บตายพุทโทในปัจจุบันอธิบายออกจนครบแปดหมื่พระธรรมขันธ์ทำโมสังโฆความเหมือนกันเว้นไว้แต่ไม่ต้องการอธิบายณโมตัวเดียวก็อธิบายถึงมรรคผลนียพานได้เหมือนกันณโมแปลว่าน้อมน้อมณโมที่สุดก็คือณโมนอมน้ อ, นอมจนไม่มีมาแก่เกิดแก่เก็บตายเรียกว่าเรียกเปลี่ยนณโมจบทําแต่ระบรบารส่งต่อพระเนียพานหมดปัจจุบันอันเดียวก็ส่งต่อพระเนียพานหมด อดีตอันเดียวก็ส่งต่อพระเนรพนหมดอนาคตอันเดียวก็ส่งต่อพระเนรพลหมดนะอดีตร่วงไปแล้วไม่ Leonard, มอยู่ในอำนาจวาสนาของใครปัจจุบันก็ไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของของใครอนาคตก็ไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครอติธรรมตาธรรมาอณาคตาธรรมาปัจุปปนาธรรมาอตีตาลมนาธรรมานาคตาลมนาธรรมาปจจุปันาลมนาธรรมาอตีตาลม อนาคตารมปัจจุ ป, ปนารมเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนนี่แต่สลายเหมือนกันอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ผู้เห็นอันนี้จังชัดก็คือด้านปัญญาของพระพุทธศาสนาก็เห็นทุกชัดเหมือนกันก็เห็นอนัตตาชัดเหมือนกันไม่วช่แต่ไม่ต้องการเห็นอันนี้จังชัดก็เห็นโลกชัดเห็นทุกชัดก็เห็นโลกชัดก็เห็นสังขารชัด เห็นอนัตตาชัดก็เห็นสังขารชัดเห็นโลกชัดเหมือนกันนั่งทำลายอวิชชาตันหาอุปทานได้เหมือนกันอวิชชาคือความโง่พระไม่รู้เท่าอนิจจังพระไม่รู้เท่าความเกิดดับจะหาสิ่งที่เที่ยงในวัฏฏะทงสารมีไหมไม่มีหาสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ในวัฏฏะทงสารมีไหมไม่มี หาสิ่งที่เป็นตัวตนในวัตตาสงสารมีไหมไม่มีวัตตาสงสารภายในก็คือตาหูจมูกเลี้นงกายใจวัตตาสงสารภายนอกก็คือตาหูจมูกเลี้นกายใจของภายนอกวัตะทสงสารภายในก็คือรูปขันนามขันที่สมมติว่าเราเรานี่เองรูปขันนามขันภายนอกสมมุติว่าเป็นของท่านผู้อื่นและผู้อื่น ก็มีเท่านั้นไม่ได้มีเอนอื่นมากมีลูกขันนามขันเท่านั้นถ้ามายึดถือว่าลูกขันนามขันเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นมลุลมันก็พ้นไปจากลูกขันนามขันถ้ายังยืนยันว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ลูกเป็นเราวิญญาณทีิสนันติก็มีอยู่เหมือนกัน ถ้าวาดภาพว่าพระเนปานคงอยู่อย่างนั้นคงอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นสมมติเหมือนกันพระเนปานคงจะเป็นโรคขันนามขันหรือคงจะเป็นอ ภ, าภาัพพัสสอนอยู่อย่างนี้ก็ดีหรืออ ภ, าภาัพพัสสอนอยู่ทางขาง้างหน้าข้างในก็ดีมีดวงแก้วอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตายคาดวงแก้วจะเพี้นยนเงินในนี้ก็ไปเกิดพรหมโลกอ่ะเพราะยังพ้นไม่พ้นจากรูปขันตายคาพิจนาดวงแก้วอยู่ที่นี่ต้ไปเกิดพรหมโลกยังไม่พ้นผู้ที่เอาดวงแก้วนี่มาเป็นพระเนปานเนี่ยเราไม่ลงเลย ถ้าตายคาดวงแก้วที่เราเพ่งเพ่งเนี่ยมันก็ไปเกิดพรหมโลกไปเกิดพรหมโลกที่มีลูปด้วยหลายกับก็จึงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือสัตว์เทวชานก็แล้วแต่เพราะเพ่งรูปเป็นอารมณ์อยู่ตายคาเวทนาสุขก็ยังไม่พ้นก็ไปเกิดในรูปประพมเหมือนกันเพราะเราภาวนาไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการสุข พ่อเราภาวนาก็ต้องการสุขต้องการสุขในเวทนารูปราคะความติดใจอยู่ในรูปธรรมเช่นชอบใจในสุขเวทนานั่งชอบใจในบุคคลบางคนในวัดพัฒสะดวบางสิ่งอารูปราคะความชอบใจในอารมณ์ธรรมคือชอบใจในสุขเวทนามาลนะความซับการตรอไปนั่นตัว น, นีนนอ่อุทธจักความคิดพลาดเช่นนึกอะไรก็เกินเพลิร์นเกินกว่าเหตุอวิวชาอันความเขาเป็นเหตุไม่รู้จริง นั่นสังกัดบางสูงอะสังกัดเครือผูกใจศักด์ท่านผู้พ่นไปแล้วท่านก็พ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากจมูกพ้นจากลิ้นพ้นจากกายพ้นจากใจเพราะท่านไม่ถือว่าตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเป็นของท่านและเป็นของผู้อื่นเป็นแต่ศักว่าตาเป็นแต่สักว่าหูเป็นแต่ศักว่์วาจมูกเป็นแต่ศักว่าลิ้นเป็นแต่ศักว่ากายเป็นแต่ศักว่าใจเป็นแต่ศักว่าผู้รู้ <remembering. S 2> สิ่งเหล่านี้ขึ K K ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ละรายของ บุคคลผู้ปฏิบัติเธอสวยเวทนาใดเธอจงรู้ตามเวทนานั้นซักเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนใน้วแตกสลายเวทนาสุข ก, ก็ดีเวทนาทุกข์ก็ดีเวทนาโอเบคากดีพระบรมศาตร า, า, าสอนเธอรู้จักมารไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เองเป็นตัวมารมาโรปาปีมะขันธมารมานคือปัญจขันจิเลตมารมานคือจิเลสผู้ไปยึดถือเอารูปขันธ์นามขันธ์เป็นมารเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั่นเองเรียกว่าจิเลตมาร อภิสังขารมานมานคืออภิสังขารอภิสังขารสปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนญชาอภิสังขารอภิสังขารคืออเนิชาปุญญาอภิสังขารไปติดอยู่ในบุญเพราะยึดถือว่าบุญเป็นตนตนเป็นบุญไปติดอยู่ในอเนญชาความไม่หวั่นไหวในสมาธิสมาบัติตายค่านั้นก็ไปเกิดภพมโลก พระอรหันท่านพ้นไปจากบุญแล้วท่านพ้นไปจากบาปแล้วพ้นไปจากเหตุจากผลแล้วไม่ได้สร้างเหตุเพื่อจะเอาผลเพราะเหตุที่จ ะ, ะบาปก็ไม่มีเหตุที่จะสร้างให้บาปเกิดขึ้นก็ไม่มีเพราะ พ, พระมหาสติพระมหาปัญญาของท่านเหนือความหลงของตนไปแล้วความหลงเมีเท่าไรท่านทั้งหลายท่า น, านแก้แล้ว ความหลงที่ยึถือว่าเราเขาสัตว์บุคคลเขาไม่แม้ในในคัณฑะสัดานของท่านตาก็เรียกว่าตาตามธรรมดาครับเราแต่ไม่สาคัญว่าตาเป็นตนตนเป็นตาหูก็บอกว่าหูไม่สาคัญว่าตนเป็นหูหูเป็นตนไม่สำคัญว่าหูเป็นท่านผู้อื่นผู้อื่นเป็นหูจมูกเลี่ยนกายใจก็เหมือนเหตุฉะนั้นก็สมมุติก็ะม่มาทะเลาะกับเรมุดของท่าน อ, อดีตอนาคตท่านก็สมมุติ ใช่ตามอยู่แต่ถ้าไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยเราต้องหัดไปอย่างนั้นถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็จะสำคัญตัวเราเป็นผระหานมันก็ยังไม่ถูกถ้าไม่ปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารการปฏิบัติก็ไม่คุ้มค่าของพระพุทธศาสนาะ พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารให้มีเจตนาดิ่งลงอย่างนั้นเจตนาเดียวไม่มีหลายเจตนาเหตุไหนจึงมีเจตนาเดียวเพราะเหตุว่าสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วผู้ไม่สร้างบารมีแก่ก้ามันก็มีหลายเจตนาเจตนาก็ดีความประสงค์ก็ดีหรือคิวก็ดีหรือความต้องการก็ดี อ, อธิษฐานปารมีสัมปโนก็ดีหรือสัจจะปรมีสัมปโนก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันทีนี่จะปลารกอะไรก็ปลารกจะทีนี้ภาวนาสั้ทีน่นี่เคยภาวนาในก็ภาวนาอันนั้นละตามสิติกำลังของใครของมันผู้เคยภาวนาอันไหนก็ต้องภาวนาอันนั้นไม่หาแต่ว่าจะนั่ง จะนอนก็ไม่เป็นปัญหาจะนั่งพักเทียบก็ไม่เป็นปัญหาจะนั่งขัดสมาธิก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยมีอยู่ทุกการทุกเวลาที่เราจะพิจารณาเพราะใจเป็นผู้พิจารณาเพราะสติและเป็นผู้พิจารณาขอให้มีสติพิจารณานั้งพักเทียบก็ได้เหมือนกันนอนก็ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราต่างหากเวลาตายเราก็จะนอนตาย ก็ไม่ค่อยจะมีใครท่านผู้ใดนั่งพระบรมสรารีริกธาตุนอนเข้าสู่พระนิพพานของมีอยู่เราหลงอะไรถ้าเราหลงหนังก็พี่นาหนังให้ชัดให้สังเกตดูกิจเจ้าขอราคากรับโทรษะมันอันไหนมันเกิดขึ้นก่อน ทาราคะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ต้องพิจารณาอสุภะให้มันเห็นเป็นปฏิกูลสิ่งไห้ที่ศกปกโสมมมากกว่าเพื่อนแล้วก็พิจารณาอ น, นั้นถ้าโทอษาบันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็แผ่เมตตาลงสู่อนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรใน่ภัยอสุภะก็ลงสู่อนัตตาธาตุอนัตตาขนันปฏิกูลธาตุไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลเป็นของปฏิกูลเป็นของเปลือยเน่า พิจารณาพอมาวิหารก็พิจารณาจนถึงทำอันไม่มีเวนในภัยอนาตตารมที่ไม่มีเวนในภัยอนาตตาธาตุที่ไม่มีเวนในภัยอนาตตาขันที่ไม่มีเวนในพัยอนาตตาจิตที่ไม่มีเวนในภัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอานาจิตอนาตตาจิตอนาตตาธาตุที่ไม่มีเวรในภัยพิจารณาลงถึงผู้รู้เถนี้ยผู้รู้ไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของผู้รู้ไม่มีเวรในภัยเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นถ้าถ้าไม่ล่วงละเมิ ก็เป็นศีลตัวเดียวรวมอยู่ที่ใจเป็นเชือกห้าเกลียวผู้จะมีพกสมบัติผู้จะมีความสุขผู้จะไปถึงพระนิพพานก็มีศีลพระพุทธศาสนามีศีลเป็นเบื้องต้นมีศีลเป็นเบื้องที่สองถึงไตรสนาคมเป็นเบื้องที่หนึ่งถึงไตรสนาคมตลอดชีวิตระดึกได้ไม่ดได้ก็ดีแล้วก็รักษาศีลห้าศีลห้านี้เป็นศีลคารวะผู้ใดมีศีลห้าบริบูรณ ไม่ดา่าไม่พร้อยแล้วก็ไม่ใช้ดาอยากร่วงด้วยผู้นั้นถึงพระโสดาบันแล้วต่อไปนี่ก็ว่าโนโมโนโมแปลว่าน้อมนม้อมพระธรรมสัมพุทธเจ้าว่าสามครั้งข็น้อมน้อมสามครั้งแล้วก็ว่าพุทธทางธรรมังสังขังถึงทุติตติก็ไม่ว่าแต่ทุติต ต, ต, ติสามครั้งละจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตอันนี้ว่าพอ สังเข พ, พอสมควรแก่ฐานะในที่ประชุมเฉยๆอันถึงสองขัง้สงสามครังไอ้ที่แท้เนือเลือลกได้ไม่เลือกได้ถึงพระพุพพทธธรรมมาสองจับเท่าข้าสู่พระในพานอยู่ทุกเ ม, มื่อไม่มีประมาณต่อไปก็นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะ พุทธังสระนางคาชามิธรมมังสระนางคาชามิสังขังสระนางคาชามิตุติยมปิพุทธังสระนางคาชามิทุติยมปิธรามังสระนางคาชามิ ตาติยมีสังขังสนาังคาจามิตาติยมีพุทธังสนาังคาจามิตาติยมีธรรมังสนาังคาจามิตาติยมีสังขังสนาังคาจามิสนานังมังนิิตัง ปานาติปาตาเวธรรมนิชค้าปัทังสมาธิยามิอธินาธานาเวธรรมนิชค้าปัทังสมาธิยามิตัดยมพีสังขังสนนังกชามิสนักมันังนิธิตังปานาติปาตาเวรรมนิชค้าปัทังสมาธิยามิ อธินาทานเวรามนีสิกขาปัตตังสมาธิามิกล้ามีสุเมชชาจาราเวรมณี <banking Squeeze S 1> สิขาปัตังสมาธิาม <Muslim> ิมุสาวาชาเวรามณีสิกขาปัตังสมาิามิสุรามระยะมัจจะปมาดัถานาเวรมณีสิขาปัตังสมาธิามิ อิมาในปัญจาศิขาปทานในสีเรนะสุขิงยันติสีเรนโระโพกสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัตมาสีลังวิโซทะเยพระพุทธศาสนาอยู่ที่ดวงใจของเราไม่ได้อยู่ในที่อื่นพระบรมศรราสดาสอนใจพุทโธแปลว่าผู้ละบาปบำเพ็ญบุญธโมทรงไว้ซึ่งระบาบบำเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติระบาบบำเพ็ญบุญตกลงพุทโธธโมสังโฆก็อยู่ด้วยกัน ศีนก็อยู่ด้วยกันปนาณาติบาอเวรมณีแปลว่าเว้นแล้วอธินนาทานเวรมณีแปลว่าเว้นแล้วกาเมเวรมณีแปลว่าเว้นแล้วทิฆาประทางสมาธิมินั่นเป็นทิขาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ใจรวมทั้งห้าทิฆาบทก็เป็นทิกฆาบทเดียวเป็นเชือกห้ากเกลียวอยู่ที่ใจถ้าไม่รวงละเมิดศีนห้าผู้มีศีนห้าโมติบูพูดถึงพระพุทธประธทามประสงค์ตลอดชีวิตไม่ถือศาสนาอื่นมาพลเป ไม่ถือเรื่องดีงามดีมาพลเปไม่ค่าขายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเรียกว่ามิจฉาบรรจชาคือการค่าขายไม่ชอบทำให้หยาไม่ค่าขายเครื่องประหารไม่ไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสารเป็นืาเสพติดตัวข้าไมเป็นอาหาไม่ค่าขายนำมันไม่ค่าขายยาพิษถ้าไม่ค่าขายเหล่านี้แล้วก็ เป็นสัมมาอาชีวะหรือค่าขายชอบธรรมเรื่องชีวิตโดยทอบธรรมเป็นภูมิของพปัสดาบันไม่ถือศารตราอื่นด้วยในใดในโลกล้วนไม่เหมือนพระพุทธธรรมพระสงค์คําสอนในใดในโลกล้วนก็ไม่เหมือนในคําสอนพระพุทธธรรมประสงค์คําสอนพระพุทธธรรมพระสงค์นั้น เนือคําสอนใดๆในใตจโลกธาตุคาสอนใดๆในใตจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอน พ, พระพุทธธรรมพระธรรมประสงบ์หมดอยู่ในตัวนี่มาไม่ทันใช่ไหมนี่พระพุทธธรรมประสอง์อยู่ทั้งว่นไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสูตรพระ涅槃ขอถึงซึ่งพระพุทธรรมประสองอยู่ทั้งว่นไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสูตรพระ涅槃ระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดีอธิษฐานไว้อย่างนั้น ตั้งสัจจะว่าอย่างนั้นตามเท่าเขาสูางเขาในพานเรียกว่าได้ที่พึ่งอันกเกษมอยู่ที่ดวงใจความดีความชั่วใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็มโนภาพเป็นผู้สร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าจิตพระพู้เป็นเจ้าใจนี่นเองสร้างขึ้นพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นเราตถาคตเป็นเพียงชี้บอกเท่านั้น จะทำแทนก็ไม่ได้ขอให้เธอทั้งหลายทำเองเถิดมอบให้พวกเธอเป็นสิพธิ์พระบรมศาสดาในทางทำดีขอให้พวกเธอเป็นอิสระธรรมเธ อ, อยาไปเป็นอิสระทมชั่วจงมีอิสระทำดีเถิดทำดีไว้ที่ใจเป็นที่พึ่งของใจทำชั่วไว้ที่ใจก็เบียดเบียนใจพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นทำอะไรก็ทำให้ใจทาให้อันอื่นไม่ได้พรใจเป็นพู้ทาขึ้น นอกจากใจไม่มีอะไดจะทาให้ใจได้เพราใจเท่านั้นทำให้ใจชั่วก็ดีชั่วก็ว เ, เหมือนกันดีก็เหมือนกันเหตุนั้นจึงเลือกทำดีตามสติกาลังของตนที่จะทำได้คือทำให้ใจทำให้ตนตนคือใจใจคือตนในทางพุทธศาสนะสมมุติในเบื้องต้นสมมุติในเบื้องปลาย พลาาังมัตตในเบื้องปลายก็มีอีกส่วนสมมุติในเบื้องต้นก็ทําให้ตนเชื่ก่อนอัติหตอั ต, อตโนมนัโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจคือทำเป็นที่พึ่งของจามํามีความหมายเดียวกันคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบเกษียณเป็นคดีดําคดีแดงที่ใจสร้างขึ้นแล้วจบเกษียณไม่เป็นตามเท่าเข้าสู่พระนิพพานตามสนองไปอยู่ สารยุติธรรมสารไต่สวนสารตัดสินในทางพรมัต์ก็คือใจนั่นเองใจทาอะไรใจก็รู้ใจอยู่ใจไม่ทำอะไรใจก็รู้ใจอยู่ใจเริ่มใสายพุทธัรธรมะสงค์ใจก็รู้ใจอยู่ใจไม่เริ่มใสใจก็รู้ใจอยู่ใครจะรู้เท่าใจไม่มีในโลกอันนี้นัติโรเกระหุนามะความรับไม่มีในโลกก็คือใจนั่นเองใจเลื่ถึงอันไหนใจก็รู้จักตนอยู่ ใจปฏิเสธใจก็รู้จักตนตนอยู่ใจกกหกพกลมใจก็รู้จักตนอยู่ใจไม่ไใจไม่โกหกพกลมใจก็รู้จักใจอยู่นอกจากใจไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจใจเท่านั้นจะรู้เท่าใจใจเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของใจทำอะไรก็ทำให้ใจทำดีก็ทำให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจเพราะใจเป็นผู้ทำไม่มีใครมาแย่งทา เหเช่นพระพุทธศาสนาเทศอยู่สี่ที่ห้าพันสาจิงยนลงถึงใจมนโนภูพังคมาธรมามโนเสรษฐ้ามนโนมายารมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจบาปจะทําขึ้นก็ทำที่ใจบุญจะทําขึ้นก็ทำที่ใจศีล ส, สมาธิปัญญาจะมีขึ้นก็มีที่ใจพระใจเป็นผู้ทําขึ้นแต่ไปทางรื่องเข้าใจเป็นผู้ทํามีคุณเป็นมหันมีโทษเป็นอ น, นันถ้าทําถูกก็มีคุณเป็นมหันดีบวกดีอยู่ที่ใจขั้วไปบวกขั้วอยู่ที่ใจ ทำบุญก็คือทำบุญฉลองใจทำบาปก็คือทำบาปฉลองใจไม่ได้ฉลองอันอื่นพูดให้เข้าใจง่ายๆโหหานจะมีหานจะมีมาอะไรก็หานลงถึงใจจะพูดยาวก็ยาวออกจากไปจากไกลจะพูดสั้นก็สั้นลงมาหาใจไม่มีอันอื่นที่จะมาแย่งทำดีทำชั่วก็นอกจากไกลแล้วเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นที่พึ่งของไกจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกฝนแล้วนําศุกมาให้คือมาให้ใจนั่นเอง คำว่าใจแปลเป็นคำไทยแล้วคำว่าจิตเป็นคำภาษาบาลีคำว่าวิญญาณก็เป็นคำภาษาบาลีคำว่าใจแปลเป็นคำไทยแล้วใจก็เรียกวิญญาณก็เรียกมนัดก็เรียกมนัดก็แปลว่าใจเป็นภาษาบาลีมโนก็ว่าภาษาบาลีวิญญาณก็ว่าภาษาบาลีมีค้าหมายเดียวกันแปลออกมาเป็นไทยก็คือใจเท่านั้นเอง ไม่ต้องสงสัยสงสัยทำไมเข้าใจเป็นผู้ใส่ก็ใจสงสัยก็ใจเป็นผู้สงสัยไม่สงสัยก็ใจเป็นผู้ไม่สงสัยคนอื่นไม่มาแย้งสงสัยด้วยนั่นงานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องงานของใจทั้งนั้นนั่งก็ใจพานั่งคนตายนั่งไม่เป็นพูดก็ใจพาพูดคน ต, ตายพูดไม่เป็นฟังก็ใจพ่าฟังคนตายฟังไม่เป็นเพราะวิญญาณไม่ได้อยู่ในที่นั่นเพราะใจไม่ได้อยู่ในที่นั่นเพราะจิตไม่ได้อยู่ในที่นั่นเพราะมนต์ไม่ได้อยู่ในที่นั่นเพราะมันสมองไม่ได้อยู่ในที่นั่น เพรเสียเชลอไปหมดแล้วศีลมีตัวมีตัวเดียวคือศีนใจตัดศีนลงที่ใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาลไม่พูดมุสาไม่ดีมุโสลาตกลงเป็นศีนตัวเดียวอยู่ที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจแล้วลึกถึงศีลเป็นอารมณ์ก็ศีลานุสตินั่นเองแ ล, ล้วศีนศีนที่ตนรักษาให้ทานแล้ว ก็ละลึกถึงทานก็จิตใจอันนี้เองเป็นผู้ละลึกถึงทานจาคานุสติและลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วหรืยังไม่บริจาคอันไดอันไหนอันไหนก็เป็นเมืองขึ้นของใจหมดตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเมืองขึ้นของใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวให้เป็นปัญหาเหมือนเข็มเทปจะรู้ตัวหรือไม่มีตัวรู้ตัวอะไรเป็นปัญหาเป็นเมืองขึ้นของเทปเหนือเหมือนน้าห้วยน้องคอง เหมือนนั่งพ่อหนอนคลองเบิงบางต่างๆหลลงสู่มหาสมุทตะ เ, เลจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามก็ไหลลงสู่มหาสมุทตะ เ, เลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจัก น, นั้นเทียบในทางลึกซึ่งเชื่อมใ น, นทางสูงก็เหมือนกันเขืมทิศจะมีกี่ระร่างก็ชีพไปในทางทิศเหนือฉั้นใดก็ดีทําดีทําชัว่วก็เป็นเมืองขึ้นของใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นผู้ทําใจจะปฏิเสธให้ตาหูจะมูกรินกายเขาก็ไม่รับก็ไม่รู้เอนออะไรตาเอ๋ยตาเอ๋ย เธอจะเป็นสมบัติของใจก็เป็นเมืองขึ้นของใจหมดตาหูจมูกเล่นกายเป็นเมืองขึ้นของใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวให้เป็นปัญหาเหมือนเข็มเท็จจะรู้ตัวหรือไม่มีตัวรู้ตัวคอยเป็นปัญหาเป็นเมืองขึ้นของเทศเหนือเหมือนน้ำห้อยน้องของเหมือนน้ำห้อยน้องของเบิงบางต่างๆอะไรลงสู่มหาส ม, ทมุทรทเลจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามก็อะไรลงสู่มหาสมุทรเโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆข้อใดลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจานนั้น เทียบในทางลึกซึ่งเทียมในทางสูงก็เหมือนกันเชื้มทิศจะมีกี่ร่าับเขาชี้ไปในทางทิศเหนือชั้นใดก็ดีทําดีทําชั่วก็เป็นเมืองขึ้นของใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นผู้ทําใจจะปฏิเสธให้ตาหูจมูกรินกายเขาก็ไม่รับก็ไ ม, บไม่รู้เอโนเอีอ่ย อ, อ, อะไรตาเอ๋ยตาเอ๋ยเธอจะเป็นสมบัติของใจเนะ้อครับมันก็ไม่ว่าปฏิเสธมันก็ไม่ว่าหูเอ๋ยเธอต้องต้องเป็นสมบัติของใจเนะ้อ เขาก็ไม่ได้รับเขาก็ไ pues, ม่ได ah. ้ปรับทดลองใจอันเดียวเทนั้นเป็นที่พึ่งของใจยิทธะธรมโถสาทุกฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนใจนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนวิญญาณนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนมนัสนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนมโนนั่นแหละเป็นดีมีความหมายอันเดียวกันสิ่งไหนที่ดีที่ชั่วสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เหตุที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เหตุไปทางชิดหายจากบัญญัติาเจริญก็เป็นใจเป็นผู้บัญญัติ เหไปทางช่วยจะบัญญัติว่าเป็นของดีก็เป็นใจเป็นผู้เป็นผู้บัญญัติเหตุฉะนั้นภาระทั้งหลายอยู่กับใจหมดเหตุทางชิบหายคือการพนันคือการอาบายมุขทุก ป, ประเภทให้เว้นซะเพราะเป็นเหตุไปทางชิบหายแต่พวกเราบัญญัติใหม่ว่าเป็นเหตุไปทางเจริญบัญญัติผิดนะเอาละเอวังเหนื่อยแนละ้วทีนี้ไปไปทุก ป, ประจุข์วโฏธฐโมสังโฆเหนื่อยแล้วภาวนาไปเนาะ ภาวนาไปรถสองคันภาวนาไปทําบุญแล้วก็ไปฉลองใจทําบาปแล้วก็ไปฉลองใจทําบุญแล้วก็ไปฉลองใจทําบาปแล้วก็ไปฉลองใจเออ ให้พอน้าปเสเยะสวัสดีพี่มาเัเป็นเนื้อสัตว์ที่ตัว่าโปเตีนอาหารยา่าขายน้าเมายา่าขายยาพิษเนื้อตอนนั้นเป็นค่าขายชอบทำค่าขายที่ไม่ชอบทำค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าโคนอาหาร่าขายน้าเมาฆ่าขายยาพิษต้องเว้นเว้นอันนี้เราฆ่าขายอะไรก็รวยหมด คำสอนใดๆไม่เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธศาสนาสอนโลกต้อโต้งสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนธรรมสมบัติเต็มภูมิสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิอระปัญมุกทุกประเภทถ้าเว้นแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิถ้าไม่เว้นก็เป็นมนุษย์วิบัติอีพ่ออีแม่เอยถูกไหย <c oughs> ถูกไหมยิ่งตามไปก็ยิ่งคิดหายทิ้งคืนใส่ไฟเพื่อจะแรกเอาดุนก่อนคืนมามันก็มีแต่เข้าฐานนั่นเอสยพ่ออย่างเนี้ยเอถูกไหมอยากทุกข์ก็ให้เล่นเลขหลายๆอยากคิดหายก็ให้เล่นเลขบ่อยๆ ถูกใจไหเพราะมันประสบการมาแล้วใช่ไหมมันมันเชิดหายอย่างนั้นจริงยกข้าหอนอาโนนเอ๋ยสาริบุตรเอ๋ยมโหคลาเอ๋ยวันนี้พวกเรามาเล่นการพนันเอาบริขารกันเถิดเพราะมันยังเช่าอยู่ เดี๋ยวสักคู่หนึ่งจึงไปเบียนธบัตเอ้ามาเล่นกันใครจะเอาขี้เอาคู่หรือใครจะเอาอะไรก็แล้วแต่ทางหนึ่งก็ไม่อะไเป็นไปเบีนธบาทิละเพราะกีบอลและบาทมันจะมาอยู่ทางหนึ่งเหตุนั้นพระบรมศาสตราจึงเคารพทมจริงว่ามันคิดหายนักดูไหมพระบรมศาสตราก็เคารพ แต่พวกเรานี่จะไปวิเศษวิโสกว่าพระบรมศาลายังไงแต่พระบรมศาสลาจะเล่นับษาดีบุกโมงพวกพราห์เขาตังยังชิ้นหายนั่นรัฐบาลท่านเล่นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งพ่อบอกพวกเราไม่ฟังท่านก็เล่นสิรัฐบาลพูดน้อไม่พออธิบายพูดหลายก็ปิด ใครอยากถึงพระสวดารันก็เอาซะวันนี้ไม่เชื่อไดอยากล่วงระเมิดศีลห้าไม่เชียอไดอยากกระถือศาสดาอื่นไม่เชื่อไดอยากเล่นอบ า, ายวะมุขไม่เชื่อได้อยากจะขอดเวทรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ขอดเวรเขามาทําผิดจนหน้าตาไหลก็โกรธอยู่แต่ไม่ขอดเวรเขา ถ้าเคยทําเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้ได้กันไปสักท่านนึกอย่างนั้นพระโสดาบันถ้าเขาจะมาก่อหมายก็ให้ไน้กันไปสักเราจะไม่ตอบแทนท่านผู้ใด ท, ทั้งิ้นแต่เราโกรธอยู่ไม่ถึงกับตอบแทนอันนั้นปิดประตูปิดประตูใจไปนะรกแล้วแล้วก็โกรธกับยาบพ้นไปแล้วรวบยาบก็พ้นไปแล้วพระโสดาบันไม่ร่วงละเมิดหัวเมียของตนเคารพหัวเมียของตนเคารพท่านผู้อื่ น, น, นไม่ร่วงละเมิดการเมตตาชารา พระมีศีนบอริสุแลนะ้วสีห้าสีห้าเป็นสีของพระโสดาบันผู้มีสีห้าพูดถึงพระโสดาบันแล้วก็ได้โลกุตระสมบัติโลกีสมบัติมันลากไปเองมีโลกุตระสมบัตินะมันเป็นเครื่องดึงหลุดโลกีสมบัติไปวันที่โตคาลมาวสัน บันทิป็นทุกคลองเดือนก็คือพระสวัสดวันเราดีๆนี่เองนั่นนนคําสอน ใ, นใดๆในใตโษาษา้ษษตใตโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดเข็มทิศจะมีกี่ร่างร่านก็ชี้ไปในทางทิศเหมือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เช <se ja. um ื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ศรัทธาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่ศรัทธาเข็มทิศก็ชี้ไปอยู่ไม่มีกลางวันคือเข็มทิดเหนือก็ไม่ได้โอหังมังคโลว่าเราเป็นเข็มทิศเป็นบ่าวไส่ที่มาทางเราไม่มีกลางวันคือเข็มทิศก็ไม่ได้บ่นพี่นายดำพันว่าเรา เป็นเบาไพ่ของเทือเหนือเทียบไปในกลางวันกลางคืนเสียเท็จก็ไม่ได้บ่นเทือเหือก็ไม่ได้โอหังวังกะโลความจริงในชั้นนี้ก็ไม่หนีจากความจริงในชั้นนี้จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืองนอะไรเทียบในทางซึ่งเพื่อให้คำหนึ่งได้หลายทางน้มามห้วยน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไร่ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาะโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก ไมขึ้นอยู่กับท่านรู้แล้วไม่รูนะ้จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยคำสอนพระพุทธศาสนาะเป็นคําสอนตายตัวพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาดํารงทรงอันเดียวกันไม่ได้มามีพ่อแม่หรือตัดพ่อตัดแพอ่อะไรกันคําสอนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไม่เหมือนเราเราจะมาลดล่าไม่ไม่ไม่มีมาตรงเพงกันเลยไม่เหมือนกฎหไม้กัดหมูกัดพักขอดพวกของเรา ตั้งขึ้นทุกยุคทุกสมัยของรับฐบาลจะได้เงินที่ไหนมาตั้งแท้พ่อไอ้แม่กูเอ๋ยนั่นเลี้ยวไม่เป็นนั่นอันนั้นแล้วเป็น พ, พุทธิแก้าองค์หนึ่งตั้งมาแล้วองค์มาที่สองที่สามก็มาลงเอ่ยอันเดียวกันหมดน่ะไม่ได้พักลบล้างพร บ, บกันเลยเช่นเช่นห้าก็มีอยู่เดี น, นดี่พุทธิแก้าทางไายก็บอกว่าทําเป็นเครื่อง ทำเป็นวกบาลคือคุ้มคลองมีสองอย่างของคุ้มครองโลกมีสองอย่างพระพุทธเจ้าความละอายต่อบาดความกลัวต่อบาดเท่านั้นจะคุ้มคลองลงได้ไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดเอมเท่านั้นเอมเท่านี้หรือปืนเอ็มเท่านั้นเท่านี้ท่านบอกว่าความละอายต่อบาดความกลัวต่อหนักบาตเท่นั้นจะคุ้มคลองลงได้พระพุทธเจ้าทุกทุกองค์มายืนยันอย่างนั้น ถ้าไม่มียางอาดสาวไม่มกลักวกลัวแต่บาปแล้วก้อนไมก้หมูกม้อพักก้อทวกก็ตั้งมาอยู่อู่ฟ้องทำไม่นาคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทางคนตัวที่จ้งมาได้ก็ไปทำในที่รับนั่งนั่ง น, นั่ง น, นั่ง น, นั่ง น, นั่งเพียงไหม พ, พูดที่เก้านั่นผู้ที่เขาถือว่ามันมีวุญมีบาปเข้าไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้อีกพ่อ อ, อีแม่เอ๋ยถูกไหมอือเพราก็ไปไม่ได้ ด้วยจากเมาขีไหมฮะเมาสขี่ด้จากไหมก yeah. ็มีขาวเขาไปได้ไหมแล้วเทือไม่มีวันไม่บาปเลยพอรู้ตัวก็แต ก, กเกินไม่มีคุ้ชู้ถูกไหมนะักนะักนะ พระพุทธศาสนาะเป็นธรรมอาทิปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไตยเป็นธรรมอาทิตยไต่พระพุทธศาสนาะสิ่งไหนที่ผิดธรรมพระพุพทธศาสนาะไปไม่รอดอบายยมุคผิดธรรมพระพุทธศาสนาะเราเล่นก็อนละมานกันอยู่ตุ้งตาวยาทุกวันนี่นี่นี่สินสิ น, นของชาวพุทธของเรามันมาจากอะไรมันก็มาจากอบายามุคใช่ไหมนั่นไปยืมเงินธนาคารมาแล้ว ไม่ไปส่งเขสองเดือนสามเดือนไปส่งกระถมหัวเข้าสมหัวเข้าเอาไปเล่นเล่นักขี่พอยี่เนี่เอ้ยถูกไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวยกบูชาหอแน่นอนนี่ดาบดบอันนี้นะมันกิวมันกิวกลางเวทชีนี่อันนี้ญี่ปุ่นจับนี่น่ากีนจับนี่ พวกไทยก็จับนี่อันนี้เป็นดาบสองคมสองคมหรือสามหรือสีก็แล้วแต่ร่างญี่ปุนนนป่นจับนี่จับใจได้ญี่ปุ่นจับนี่จีนจับนี่ใครจับนี่ญี่ปุ่นก็กระโดดทึก่กระชาลงนํามือไทยมือมือแจ็คขาด <c oughs> มือไทยมือแจ็คขาดก็อยู่กับญี่ปุ่นนี่ชั้นใดก็ดีแผ่นดินของพวกเราไปขายหมดมเดี๋ยวประเทศญี่ปุ่นเข้ามาอยู่นี้ไม่มีที่อยู่เนะ ถูกไหมเนีย่ยประเทศญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ประเทศเราไม่มีที่อยู่นะเราถูกไหม <ng> นั่น อ, อ่าเช่เขาก็เอาคนจีนเขาเอาคนไทยซื้อแต่ก็ซื้อที่ไหนเราไปใกล้เขาไม่ได้เนอะเขาซื้อเขาไปยึดถือเาขาทาที่อยู่ของเขาแล้วเราไปใกล้ไม่ได้นะเขาไม่ให้เข้าใกล้เขานะนานไปเขาก็ซื้อที่ดินของเราหมดนะเราอย่าไปขายที่ดิน ที่ดินเป็นทรัพย์เป็นหลักของทรัพย์เราไม่มีที่ดินเราไม่มีที่ดินทำกินเราไปตลาดเราก็ปลูกผักปลูกอะไรไปตลาดทหี้ยไปหี้ย อ, อไปซื้อของมากินด้วยเราไม่มีที่ดินก็มีแต่มือมันก็ไม่ถูกจะไปขายที่ดินเนอะเอาไว้ปลูกไหมล่ะถ้ากัไปขายหมดแล้วใช่ไหม <laughs> พ, พุทธศาสนาเป็นการบ้านเป็นการเมืองสอนโลกสอนโลกต้อโตง้งนี่ดึงพระพุทธศาสนาเนีมยชาก่อสร้างจะไประเรียนมาจากประเทศนอกก็าตามตั้งเสาขึ้นแล้วก็จะทิะ้งดึงไม่ได้ไม่ไม่ทิ้งดึงไม่ได้ต้องเถียงกันเมันยังขํามแล้วขั้นใดก้อนเล็กก้อนหมู่ก็อนกก้อพวกตั้งขึ้นแล้วมันวงรูความสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปในรอด เขาเป็นเป็นธรรมมาธิปไตยไม่ใช่อัตาธิปไตยไม่ใช่ปประชาธิปไตยบรรธรรมมาธิปไตยคําสอนพระพุทธศาสนาทุกทุกพระองค์มาสอนโลกยังทรงพระนามสัทธาเทวมนุษย์ทางเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างเต็มภูมิเลยมนุษย์สมบักสอนแล้วอะไรที่พระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยในระหว่างพ่อกับแม่พระพุทธศาสนาก็สอนในระหว่างลูกกับพ่อกับแม่พระพุทธศาสนาก็สอน ท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่านดํารงวงตระกูลประพฤติตัวน่เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านลงรับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ท่านนะสำหรับลูกสําหรับพ่อแม่ที่นหนึ่งห้าม ก, กระทาความชั่วสองห้ามตั้งอยู่ในความดีสใหส้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ให้ในสมัยนักพ่อแม่ในว่างผัวกมีอพระบรมศาลาค ว, วามหอมสองรถตรง สามท้าพระสุสามเณรสอนลึกไปกว่า น, นั่นพราะขอเขากินถ้ายัางนั้นไม่คุ้มค่าเขาอืไม่คุ้มค่าหัวร้อสอนลึกไปก่ น, นั้นสมนัวกรเมียก็สอนสอมผัวเมื่อ ย, ยกย่างนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสี่ด้มอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัว ภรรยาได้รับบำรุงชะนีแล้วย่อม ส, สองเคราะห์สามีด้วยสถานะหนึ่งจัดการงานดีสองสองเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามไม่บบประทึกล่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ข้อห้า 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทางปวงนักนักถ้าผัวกับเมียมีคนละหข้อการทะเลาะบาแยงก็ไม่มีนักนักนัาวกั้น น, น, น, น, านายท่านก็สอนพระบรมศาสตร์ ลุกขึ้นทําการงานก่อนนายสองเลิกการงานทีหลังนายสามคือเอาแต่ของที่นายให้ที่ทําการงานให้ดีขึ้นห้านำคุณของนายไปสนรเสริญในที่นั้นนั้นสำหรับคนงานหนึ่งลุกขึ้นทําการงานก่อนนายสองเลิกการงานทีหลังนายสามคือเอาแต่ของที่นายให้อย่าไปรับจอบรักเสียมไปเป็นต้นนะเดี๋ยวนี้เขารักจอบรักเสียมไปสารพันอะ ทำการงานให้ดีขึ้นจะเห็นแก่มาก่ายนําคุณของนายไปเสรีเสรีในที่นั้นนั่นสําหรับบ่าวนี่ยสำหรั บ, บ, ส, ำรบสำหรับคนจ้างที่ถ้าบรมศาสตราก็บอก <c oughs> หนึ่งจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังสองดให้อาหารในรางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเก็บไข้สีด้วยแจกของในรถแจกประหลาดให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยวันทิศวันจันทร์วันวันทิศวันเสาร์หรือทักเทีย่ยงหรือเลิกนั่นนั่นนการขบเมิตรทรมศาสตราฯสอนวัดเนี่ยนั่น นั่นนันนไม่มีที่โว้เลยเพราะรว่าเรามาศาสตรานั่นคำสอนใดๆเป็นเมืองเครื่องคำสอนพุทธศาสนาหมดนั่นไปหาพระไปหาตัวดีๆต่ตัวดีๆกาตัวขี้หายน่ะเออตัวดีก็ตัวขี้หายเดี๋ยวพระก็ไปเล่นเลขต้นตะเคียนต้นไหนเขาไปเขาเข้าไปแกะเห็นใน เอาอะไรัดือเอาเอาเอาเห็น <nói> ก <aphrag> ัด <Smooth> ที่จัพหาเร่ป้าว่าป่าว่าไงป้าจนตะเกียงจัพหาเลขกันอื่มิจฉาทิฏฐิอันน่ะความเห็นผิดไม่รู้ไปใจไปอ้าถูกเลขหนึ่งจะให้เต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินอย่างนี้ก็ลุยทะเลเลือดกันในวันนี้ล่ะอ้าวตาคนก็ตากระโดดเข้าซื่อล่ะมึงคือ ตัวหนึ่งกูจะให้ชิบลาดยี่ชิบลาดอย่างนี้งั้นก็นึกดูเถิดขี้คู่ขี้คู่สองประตูท่านนี่ก็ไม่ทันกันคิดหายตายถูกไหม <c oughs> นั่นอันนี้ต้งร่ายร้อ ย, ยพันพันยาเลยยาเลย <c oughs> พระสวรรัสดิบาลไม่เกี่ยวข้องกั น, นถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะไปคว่างลงทะเลหมดเลยเครื่องอาบายังไม่ให้มี แข่งมาแข่งวัวอะไรไหมเอ้ามันมดแดงกัดก็เล่นกันพนันกันตัวไหนจัตนาชนี่นนชมชหายตายเนี่ยเว่นะมายมุกทุกประเภทประตูไดประตูหนึ่งน้ำไหลัตโตเราไปจอกซะให้มันไหลมันก็หมดกว่าเราจะไปตักมาใส่นะ ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานศีลไม่แสวงหาพระเจริญที่หายแล้วไม่บูรณะพระเจริญที่ทําฆ่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งจักปรีหรือบุรุษทูสีลให้เป็นแม่เรียนพ่อเรียนทูวงจะรัำรงตระกูลความเลื่สถานศีประการนี้เสียพระบรมศาสดาบุรุษทูศีลเป็นแม่เรียนพ่อเรียนมีเงินตั้งกี่ล้านมันก็เอาไปเสียวันเดียวมันเป็นคนทุศีลเดี๋ยวไปเสียอันนั้นเดี๋ยวไปเสียอันนี้เกียรติขั้นของคนงานในทางที่ชอบก็เอาเถอะ ประตูใดประตูนมหาคบท่านประตูเราคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นทองเป็นเพชรเป็นพลอยเลยครัแต่พวกเราไม่เอิ่นโอ้ยนี่คือว่าล่าสมัยแต่เราล่าสมัยจากคําสอนพระองค์พวกเราพระกับพระขี้เรศโ ย, ยมกัลงโยมขี้เรศพระกัพระผีบ้าโยมกัโยมผีบ้าเ <laughs> หมือนกันช่วยหนยนะ เดี๋วพวกเราอย่าไปเป็นบ้าพวกเราต้องเป็นพระดีเป็นโยมดีพวกเราไม่ต้องเป็นบ้านี่พูดพวกอื่นอกไม่ใช่พูดพวกเราเนี่ถูกไหม <c oughs> เอาละนะเดี๋ยวให้พรกันนะ <c oughs> เดี๋ยวจะข่บบาวกระบานทัพพหลาคำนี้มาตัวทัพพรสันตารรตวัฏสิโตทัพพระเวนาราติ ก, กันตูนี้พูดตัวเจ้าตัวเพราะว่านระพิจิตรวัดฉันเดชพรหลาโพยนั ตะตุลเทผวัตตวันทรายโยสุสีสีขารุโเพราะอภิวาตนาศีริสะนิจังมุธาปิจายโนจะกรโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภรังภะปุตตทำบุญบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยทำบาปบ่อยใจก็ต่ำลงบ่อยทำบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจนอกจากบุญไม่มีอะไรจะบวกใจได้ นอกจากบาปก็ไม่ไ ม, ไม่มีอะไรจะบวกายได้นี่แต่บาปก็บุญเท่านั้นไปบวกายแต่เราจะกำจัดบาปออกเอาบุญไปบวกทําบุญก็ทําบุญให้ใจทําบุญวันเกิดวันเกิดมันก็ไม่เอากาใจเป็นผู้เอาทําบุญบ้านบ้านมันก็ไม่เอากใจเป็นผู้เอาทําบาปใส่บ้านบ้านมันก็ไม่เอาใจเป็นผู้เอานั่นถู้ไหมใจจะปฏิเสธให้ไหนเขาก็ไม่เอา กติเสตตาเอ๋ยหูเอ๋ยจมูกเอ๋ยลิ้นเอ๋ยเขก็ไม่รู้อินุ่ยนีนอะไรเราบรรยัสให้เขาว่าตาหูจมูกลิ้นพระพุทธศาสนาอยู่ที่ดวงใจของเราไม่ได้อยู่ในที่อื่นพระบรมศาสดาสอนใจพุทโธแปลผู้ละบาปบำเพ็ญบุญธโมทรงไว้ซึ่งระบาบบำเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติระบาบบำเพ็ญบุญตกลงพุทโธธโมสังโฆก็อยู่ด้วยกันศีลก็อยู่ด้วยกันปานาติบา เวรมณีแปลว่าเว้นแล้วอัจฉินนาทานเวรมณีแปลว่าเว้นแล้วกามีเวรมณีแปลว่าเว้นแล้วชิคาประธางสมาธิมินั่นเป็นชิขาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ใจรวมทั้งห้าชิคาบทก็เป็นชิคาบทเดียวเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ใจท้านเวม่ละเมิดสินห้าผู้มีสินห้าบริบูรณ์ผู้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ตลอดชีวิตไม่ถือศาสนาอื่นมาพลเ ป, ไ, ปไม่ถือเลือกปรยามดีมาพลเป ไม่ค่าขายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเรียกว่ามิจฉาบริชชาคือการค้าขายไม่ชอบทำให้อะไรไม่ค่าขายเครื่องประหารไม่ไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าไปเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำมัไม่ค่าขายยาพิษถ้าไม่ค่าขายเหล่านี้แล้วก็เป็นสัมมาอาชีวะหรือค่าขายชอบทำ เรื่องชีวิตโดยท่องจำเป็นภูมิของพระโสดาบันไม่ถือศาสตราอื่นด้วยในใดในโลกล้วนไม่เหมือนพระพุทธธรรมประสงค์คําสอนใดๆดในโลกล้วนก็ไม่เหมือนในคําสอนพระพุทธธรรมพระสงค์คําสอนพระพุทธธรรมพระสงค์นั่นเหนือคําสอนใดๆในใจโลกธาตุ คำสอนไดๆในไตโรกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอน พ, พระพุทธธรรมพระธรรมประสง์มดอยู่ในตัวนี่มาไม่ทันใช่ไหมเนี่พระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกงวัาไม่มีประมาณตามเท่าข้อสู่พระเนรพานขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกงวัาไม่มีประมาณตามเท่าข้อสูตพระเนรพาระ ล, ลึกได้ไหมระลึกได้ก็ดีอธิษฐานไว้อย่างนั้นตั้งสัจจะไว้อย่างนั้นตามเท่าข้อสู่พระเนรพา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 มอบให้พวกเธอเป็นสิทธ์พระบรมศาสดาในทางทำดีค่อยให้พวกเธอเป็นอิสระธรรมเทอยรยาไปเป็นอิสระธรรมชั่วจงมีอิสระธรรมดีเถิดทำดีไว้ที่ใจเป็นที่พึ่งของใจทำชั่วไว้ที่ใจก็เบียดเบียนใจพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นทำอะไรก็ทําให้ใจทําให้อันอื่นไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทําขึ้นนอกจากใจไม่มีอันไดจะทําให้ใจได้ก็ใจเท่านั้นทําให้ใจชั่วก็ดี ทั่กเหมือนกันดีก็เหมือนกันเหตุฉะนั้นจึงเลือกทําดีตามสติกำลังของตนที่จะทําได้คือทําให้ใจทําให้ตนตนคือใจใจคือตนในทางพุทธศาสตร์นาะสมมุติในเบื้องตน้นสมมุติในเบื้องปลายวิปปรามัติในเบื้องปลายก็มีอีกส่วนสมมุติในเบื้องต้นก็ทําให้ตนเช่นก่อนอัตติอั ต, อตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจคือทำเป็นที่พึ่งของจาําทํามีความหมายเดียวกัน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 ใจไม่ทําอะไรใจก็รู้ใจอยู่ใจเรื่มไส่พระพุทธรรมประสงค์ใจก็รู้ใจอยู่ใจไม่เรื่มใส่ใจก็รู้ใจอยู่ใครจะรู้เท่าใจไม่มีในโลกอันนี้นัตติโรเกระหุนามะความรับไม่มีในโลกก็คือใจนั่นเองใจเลื่อถึงอันไหนใจก็รู้จักตนอยู่ใจปฏิเสธใจก็รู้จักตนตนอยู่ใจโกหกพกลมใจก็รู้จักตนอยู่ใจไม่ไกลไม่โกหกพกลมใจก็รู้จักใจอยู่นอกจากใจไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจใจเท่านั้นจะรู้เท่าใจใจเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของใจ ทำอะไรก็ทําให้ใจทําดีก็ทําให้ใจทำเชื่อก็ทําให้ใจเพราะใจเป็นผู้ทําไม่มีใครมาแย่งทาเหตุนี้พระพุทธศาสนาเทศอยู่สีที่ห้าพันสาจิงยนลงถึงใจมโนภูพังคมาธรมามโนเศธถ้ามโนมยาทำทั ladder, singing, okay, aces, fini, ้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจบาปจะทําขึ้นก็ทำที่ใจบุญจะทําขึ้นก็ทำที่ใจศีลจมาที่ปัญญาจะมีขึ้นก็มีที่ใจพระใจเป็นผู้ทําขึ้นจะไปทางเชื่อ้าใจเป็นผู้ทํามีคุณเป็นมหันต์มีโทษเป็นอนันต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 เหตุฉะนั้นใจจึงเป็นที่พึ่งของใจจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกฝนแล้วนำสุกมาให้คือมาให้ใจนั่นเองคำว่าใจแปลเป็นคำไทยแล้วคำว่าจิตเป็นคำภาษาบาลีคำว่าวิญญาณก็เป็นคำภาษาบาลีคำว่าใจแปลเป็นคำไทยแล้วใจก็เรียกวิญญาณก็เรียกมะนัตก็เรียกมนัตก็แปลว่าใจเป็นภาษาบาลีมะโนก็ว่าภาษาบาลี วิญญาณก็ว่าภาษาบาลีมีความัยอันเดียวกันแปลออกมาเป็นไทยก็คือใจเท่านั้นเองนะไม่ต้องสงสัยสงสัยทำไมเพราะใจเป็นผู้ใส่ก็ใจสงสัยก็ใจเป็นผู้สงสัยไม่สงสัยก็ใจเป็นผู้ไม่สงสยัยคนอื่นไม่ไม่ไมแย้งสงสัยด้วยนั่นงานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องงานของใจทั้งนั้นนั่งก็ใจพานั่งคนตายนั่งไม่เป็นพูดก็ใจพาพูดคนตายพูดไม่เป็น ฟังก็ใจผ่าฟังคนตายฟังไม่เป็นเพราะวิญญาณไม่ได้อยู่ในที่นั้นเพราะใจไม่ได้อยู่ในที่นั้นเพราะจิตไม่ได้อยู่ในที่นั้นเพราะมนต์ม่ไอยู่ในที่นั้นเพราะมันสมองม่ได้อยู่ในที่นั่นเพราะเสียเสียรไปหมดแล้วศียมีตัวมีตัวเดียวคือเศียรใจตัดเศียลงที่ใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาลไม่พูดมุสาไม่ดีมุราตกลงเป็นศียตัวเดียวอยู่ที่ใจ สมาทธิตั้งมั่นลงในที่ใจและลึกถึงศินเป็นอารมณ์ก็ศียานุสตินั่นเองและลึกถึงสินที่ตนรักษาให้ทานแล้วก็ได้ลึกถึงทานก็จิตใจนั่นเองเป็นผู้หลัลึกถึงทานจาคานุสติและลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วลึกยังไม่มบริจาคอันใดอันไหนอันไห น, น, ไหนก็เป็นเมืองขึ้นของใจหมดตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเมืองขึ้นของใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนีเป็นปัญหา เหมือนเข้มทิศจะรู้ตัวแล้วไม่มีตัวรู้ตัวก็วไม่เป็นปัญหาเป็นเมืองขึ้นของเทศเหนือเหมือน น, น้าห้อยหนองคองเหมือน น, น้าห้อยหนองคลอง บ, งบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามก็ไหลลงสู่มหาสมุทรเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไรลงสู่คําสอนของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นเทียบในทางลึกซึ่งเชียบในทางสูงก็เหมือนกันเข้มทิศจะมีกี่ร่างก็ชี้ไปในทางทิศเหนือชั้นใดก็ดีทําดีทำชั่วก็เป็นเมืองขึ้นของใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นผู้ทํา ใจจะปฏิเสธให้ตาหูจมูกเลี้ยนกายเขาก็ไม่รับก็ไม่รู้เอโนอี่ยอะไรตาเอ๋ยตาเอ๋ยเธอจงเป็นสมบัติของใจนี่ก็เป็นเมืองขึ้นของใจหมดตาหูจมูกเลี่ยนกายเป็นเมืองขึ้นของใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอะไรเป็นปัญหาเหมือนเข็มเทศจะรู้ตัวหรือไม่มีตัวรู้ตัวค่อยเป็นปัญหาเป็นเมืองขึ้นของเทศเหนือเหมือนน้าห้อยน้องคอง เหมือนนั่พ่อน่องคลองเบืองบางต่งตางๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามก็ไหลลงสู่มหาสมุททะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นเทียบในทางลึกซึ่งเทียมในทางสูงก็เหมือนกันเชื้มทิศจะมีกี่ระดัก็ชี้ไปในทางทิศเหนือชั้นใดก็ดีทําดีทําชัว่วก็เป็นเมืองขึ้นของใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นผู้ทําใจจะปฏิเสธให้ตาหูจบูกริ้นกายเขาก็ไม่รับเขไม่รู้เอออะไร ตาเอ๋ยตาเอ๋ยเธอจงเป็นสมบัติของใจเน้อครับมันก็ไม่ว่าปฏิเสธมันก็ไม่ว่าหูเอ๋ยเธอต้อ ง, งเป็นสมบัติของใจเน้อเขาก็ไม่ได้รับเขาก็ไม่ได้ปัดตกลงเข้าใจอันเดียวเท่านั้นเป็นที่พึ่งของใจยิทธะธมโธสาทุก ฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนใจนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนวิญญาณนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนมนัตนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนมโนนั่นแหละเป็นดีมีความหมายอันเดียวกันสิ่งไหนที่ดีที่ชั่วสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ด้วยว่าเป็นประโยชน์เหตุที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เหตุไปทางชิดผายจะบัญญัติาเจริญก็เป็นใจเป็นผู้บัญญัติเหตุไปทางชั่วจะบัญญัติว่าเป็นของดีก็เป็นใจเป็นผู้เป็นผู้บัญญัติ เหตุฉะนั้นภาระทั้งหลายอยู่กับใจหมดเหตุทางชีพหายคือการพนันคือการอบายมุกทุกประเภทให้เว้นซะเพราะเป็นเหตุไปทางชีบหายแต่พวกเราบัญญัติใหม่ว่าเป็นเหตุไปทางเจริญบัญญัติผิดน่ะเอาละเอวังเหนื่อยแล้วที่นี่ไปไปทุบกระจกพุฒโธธโมสังโฆเหนื่อยแล้วภาวนาไปเนาะภาวนาไป รถสองคันภาวนาไป